ขอความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไหรแต่โรงประพุทธิยานได้นำเสนอการประทับสวยมีมุติสุขของพระผู้มีพระภาคเจ้าในสถานที่ต่างๆมาโดยลำดับก็เรียงลำดับแล้วก็ถือว่าเป็นสั ป, ปดาห์ที่เจ็ดแต่ที่หกนะครับที่ต้นจิกชื่ออมุจจรินแล้วเมื่อครบเจ็ดวันแล้ว ก็ทรงเปล่งพระพุทธอุฐานตรนัตยะต่างๆดังกล่าวไว้ในตอนตอน้ตนๆพอครบเจ็ดวันพระพุทธเจ้า ก, ก็เสด็จออกจากต้นจิกชื่วมุตตลินเสด็จไปประทับที่ต้นเกตชื่อราชาและยัยะตนะก็ประนั่งคู่บลาลังประทับเสวยมุติสุขเอกเช่นเดิม คราวนี้เราสังเกตว่าตลอดระยะเวลานอกจากสนธนากับพระมงคงุงกระชาติแล้วเนี่ยนักาสนทนานะคือเป็นทานไม่เคยสนทนากับใครเลยตลอดระยะเวลาที่ยาวนานมาถึงสัปดาห์ที่เจ็ดเนี่ยท่านบอกว่ามีพ่อค้าสองคนชื่ตอตบปุษย์และพันลีกะเดินทางจากอุกะละชนบท มาถึงสถานที่นั้นปนัญหาที่น่าสนใจก็คืออุก ร, ราชนนบดันอยู่ที่ไหนประวัติศาสตร์ของพมา่าเขาเก่งนะฮะพม่าเนี่ยเอาตัวเองเข้าไปผูกพันกับพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเลยเขาบอกว่าอุก ร, ราชนนบนั้นก็คือเมืองสเทิมของพมา่า ผูค้าทั้งสองคนนั้นเป็นคองคาราวานเกวียนไปค้าขายถึงชมพูทวีตถ้าเราดูเส้นทางแล้วมันไกลไม่เบาเนะยมันต้องผ่านบังกลาเทศแล้วก็ผ่านพม่าตอนกลางนะเข้าบังกลาเทศแล้วก็ไปออกที่แถวเบงกอลแล้วก็ย้อนขึ้นไปทางเหนือ สแสดงว่าเดินทางเป็นแรมเดือนแต่วิธีการมองอย่างนี้เป็นการพูดไปด้วยศรัทธาก็บอกเป็นแนวประลําประาเ็าความรู้สึกตึ๊กตึ๊กเตมันมีความผูกพันมีความพักภูกมีความอบอุ่นแต่เราจะว่าเฉพาะ พ, พะมา ก, ก็ไม่ได้นะฮะของเราก็ไม่เบาหรอก คือถ้าเราดูสถานที่สำคัญสำคัญในประเทศไทยที่เกี่ยวโยงอยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นคนไทยไปเลยเนี่ยเพียงแต่ไม่ได้บอกสถานที่ประสูติไว้แต่ก็บอกสถานที่ศัตรูคือที่อำเภอสีมาโพธิ์เมื่อก่อนก็เรียกโคกปีบ น, นะก็เดี๋ยวนี้มีต้นโพขนาดใหญ่อัตมา ก, ก็เคยไปดู บอกต้โพธิสัศรูของพระพุทธเธจา้าแล้วก็อยู่ใกล้เมืองสีมโหสดมีรอยพระพุทธบาทจำลองเป็นตำนานที่เล่าขานกันก็ประหลังประลาพทุงควรมีการฉายพระรูปไว้ที่พระฉายมีการไปประทับนั่งยู่บนพระแท่นศิลาอาจวัด ที่อุตรดิบไปตากผ้าไว้ที่ประบาดตากผ้าหายไปที่เมืองรับแลไปนิพพานที่ประเทนดงลังอะไรต่ไหนคือนั่นคือความเชื่อที่สร้างขึ้นโดยความประทับใจคือเราศึกษารื่อราวของพระพุทธเจ้าจนรู้สึกคุ้นเคยนะฮะอบูนคุ้นเคยแล้วถ้าเราศึกษาปัจจวิดโดกจะมีลัาากษณะอย่างนั้นจริงๆอะ จะอ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยคล้ายๆกับตัวเราถูกดูดเข้าไปอยู่ตรงนั้นด้วยมันเกิดจินตภาพเกิดจินตนาการแล้วเกิดจินตภาพพองเห็นตัวเองนั่งเ ห, เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดบอกก็สะสมกันอยู่อย่างนี้เพราะว่าพระในสมัยก่อนเนี่ยรุ่นครูบาอาจารย์เวลาท่านเทศสอนอะไรเขื่อท่านจะประรบผุทประคุณอยู่ระยะหนึ่งประมาณห้าถึงสิบนาที แล้วจึงจะเข้าเนื้อเรื่องของบทที่เาเรียกอุเทศที่ท่านยกขึ้นมาตอนคุณของพระเจ้าจะมีการดอกย้ำไว้สูงมากในสังคมไทยแล้ว ก, ก็กลายเป็นแรงบันดาลใจพมา่าอะไรก็เหมือนการหงสาวดีอะไรของเขาเนี่นะมันเกิดขึ้นเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมา ก, กับพระอานนท์ เต้นหงกำลังลำแพนอยู่ในสถานที่นั้นก็ทรงพยากรว่าณนะสถานที่เนี้ยต่อไปจะเป็นเมืองใหญ่เป็นนกครหลวงมีประชาชนมากมายเป็นเมืองที่มั่งคั่งรวมสมบูรณ์ก็เป็นวิธีการผูกจิตคนให้เข้ามาเป็นผูกเดียวกันโดยอาศัยพุทธบารมีเพรานประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาถ้าเราสังเกตประวัติศาสตร์เนี่ยนะ จะเอาตัวเองเข้าไปเชื่อมมือกับพระพุทธเจ้าตลอดดึงยามมีภัยมีอันตรายเขาเรียกว่าทุกภัยโรคเนี่ยฮะมันเกิดทุกภัยโรคขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะดึงพระพุทธเจ้าเข้ามาช่วยอยู่ตลอดแนอุกะาบาชนนบำมที่กลายเป็นเมืองสะเทอรมมันก็คือแนวความคิดที่ค่อนข้างสากลในแวดวงของชาวพ เราเจนว่าในประเทศจีนเองนะฮะซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์อยู่ตั้งหลายปีเนี่ยทวันก็ยังเป็นคอมมิวนิสต์อยู่เวลานี้ก็มีพระธาตุนิ้วพระกรของพระพุทธเจ้านิ้วพระหัตของพระพุทธเจ้านำมาแสดงที่พุทธมุนฑนและเวลา เห็นสเสด็จพัะนางเจ้าสเสด็จสเสด็จประเทศสเสด็จเนี่ยเราจะเห็นว่าก็จะนําไปหาวัดวาอารามต่างๆจะดีพระพุทธรูปพวกถ้ำต่างๆที่แสดงเห็นถึงพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวจีนที่มีต่อพระพุทธเจ้ามันก็คือการพยายามที่จะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงถึงกันโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นศูนย์กลางแต่ว่าเรามีความรู้สึกร่วมกันได้นะครับ โดยถือว่าเราศาสดาเดียวกันนับถือพรัตนาใจด้วยกันสามารถสร้างเอกภาพจันวนมหาศาลได้นะแล้วมันจะกระทบในทางบวกต่อเศรษฐกิจต่อสังคมต่อการเมืองต่อความมั่นคงต่อศิลปะวัฒนธรรมจะติดตามมาอีกแยะแต่ว่าเราก็ไม่เลือกใช้ก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นะแต่ถ้าโบราณเนี่ยเราเห็นว่าเขาเลือกใช้แล้ว จะพยายามเอาตัวเองก็ไปเชื่อมโยงแล้วก็ในสูตก็กลายเป็นพวกเดียวกันตับุสาพันลิกะขันบอกว่ามีเทวดาผู้เป็นญาติสาโูหิตของตปบุสาพันลิกะเนี่ยเกิดในชาติปังกรเนี่ยเป็นญาติพี่น้องกันก็มาพบแสดงตัวออกมาพบกับพ่อค้าทั้งสองแล้วก็บอกว่า ท่นผู้นีทุกพระผู้มีพระภาคพระองค์นี้แรกแตรัสรู้ประทับอยู่นคกวงไม้ราชายาตนะท่านทั้งสองจะไปบูชาพระผู้มีประภาคนั้นด้วยสตุผงสตุก้อนการบูชาของท่านทั้งสองนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ท่านทั้งหลายตลอดกาลนานข้อนี้เราสังเกตนะครเป็นโครงสร้างหลักหลย โครงสร้างหลักที่เราใช้กันมาจนถึงปัจจุบันในพวกศาสนาพิธีทั้งหลายไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามจะถวายสังกทานจะถวายทานจะถวายจะตุปปัจจัยจะทําอะไรจะสร้างโบสถ์สร้างวิหารก็ตามคัมภีร์รัตนานั้นไม่ได้มุ่งไปที่ประสงค์จนสมมุติว่าถวายทานเนี่ยถวายสังกทาน ข้าแต่ระสง์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายกอน้อมถวายซึ่งพระตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ประสงค์ขอประสงค์โปรดรับซึ่งพระตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นว่ากันไปนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็ตลอดกาลนานเถึแล้วเจนว่าเหตุเนี่ย มันประรด ค, คนอื่นจริงแหลือผลนี่ที่จริงเราต้องการเราต้องการทำเพื่อเราแล่จากโครงสร้างความคิดตัวเนี้ทําให้มองเห็นในจุดอื่นๆด้วยอย่างเวลานี้ได้ยินบ่อยมีคนก็โทรศัพท์มาวันก่อนบอกว่าเขาได้ยินเด็กพูดว่าเวลาเนี้ยไม่อยากไหว้พระสงแล้วหรืออยากไหว้เฉพาะพระพุทธกับพระธรรมก็บอกว่าเขาเจ็บปวด บอกเอ้าวมันเจ็บปวดก็ทำไมนะ่ะก็ไม่เห็นนักเรเจ็บปวดอะไรเนะ่ยไม่เรื่องของเขาเขาไม่ไวหาก็ไม่ไวหวเขาวหวก็เขาวหวคือการวหว้เนี่ยเป็นการแสดงสามีจิกรรมเป็นอปจายนามัยการพิตนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้เจริญด้วยคุณด้วยวัยด้วยชาติหรือแม้แต่คนที่เสมอกันเนี่ะการที่เราแสดงความเคารพอะไรใครก็ตามแสดงวจิตใจเราอ่อนโยน มันก็เป็นบุญส่วนเตุคือลอดกิเลสประเภทมารณลงไปและเป็นบุญส่วนอาการก็คือพนมมือไหว้หรือแสดงความเคารพเป็นบุญส่วนผลก็คือความสบายใจมันไม่ได้เพิ่มบุญอะไรให้แกพระมันเพิ่มบุญแกตัวเองเพราะนันโดยวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าทรงวางไว้ในการประพฤติพรหมจรรย์ของพระไม่ได้มุ่ง่จะใ้ใครมาไหว้หรอก ไม่มุ่งไปจะสอนใครที่จะเป็นเจ้าลัทธิที่จะแก้ลัทธิที่จะทําอะไรแต่มุ่งที่จะสํารวมระวังเพื่อละเพื่อคลายกิเลสเพื่อดับกิเลสนั่นคือภารกิจใครเห็นตรงนั้นว่าดีเขาก็แสดงความเคารพก็เป็นบุญของเขาก็ เ, าเห็นว่าไม่ดีเขาไม่ได้แสดงความเคารพเขาก็ไม่ได้ทํา ใน่ทรมบุญที่ควรจะทำแต่พระนั้นถ้าจะทำผิดแต่ก็บาปกัปนได้คนเดียวถ่าทำชอบท่านก็เป็นบุญเพท่านคนเดียวนะอันนี้คือคือเราจะเห็นถึงว่าในโครงสร้างของการถวายทานครั้งแรกในพระพุทธศาสนาเนี่ยตัปปุสสะพันลิกะนั้นลงทุนด้วยสตุข้อนสตุผงซึ่งเป็นสเสบียงกลางในการเดินทางแตะนั้น ก็พระพุทธเจ้าเสวยก็หมดแต่ว่าผลบุญที่เกิดจากจากสวัสดิ์ถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยเรา่าลืมพระเจ้าประทับเสวยวิมุตติสุขเราจะข้าสมาบัติอะไรหรือไม่เราก็ไม่ทราบหรอกแต่ท่านบอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าพระอราหารันต์ท่านาคามีนะสามประเภทเนี่ยออกจากมิรสดสมาบัติแล้วเราถวายเป็นคนแรกเนี่ยใจบุญมีอานิสงส์มาก พระเทวดาที่มาบอกเนี่ยไอ้เราสังเกตว่าท่านบอกว่าเพราะผู้มีประภาคประองค์นี้แรกสัสรุคือสัสรุใหม่ๆตั้งแต่สัสรุมานี่ไม่ได้เคยสวยอะไรเลยเนะคนก็อาจจะคิดโดยวิชาแพทย์ในแผนปัจจุบันว่าเอ๊ะอยู่ได้ยังไงร่างกายจะขาดน้ำแต่เราอย่าลืมว่าประทับสวยมุตตสุขนี้มีปีติเป็นอาหารนะฮะปีติเป็นพักษา ปีติพักโขก็เรียกว่ามีปีติเป็นอาหารเหมือนพระพรหมนะเราลองสังเกตเราเวลาเนี้ยอย่างอะไรคุณฉลาดอะไรอ่ะฉลาดที่อดข้าวไปทวงอยู่บ่อยตอนนี้อดมาทรายห้าสิบกว่าวันนะเห็นไหมก็อดได้เะยะสี่สิบแปดวันนั่นเองแต่ว่าอยู่ด้วยวีมุตติสุขผลจะ อ, อบอินจะพ่องเผ้าจะพ่องใสอยู่ตลอดระยะเวลา แล้วในช่วงที่ประทับเสวยมติสุขอยู่ก็เสวยเฉพาะธรรมปีติประทับเสวยโดยความสุขนะคือผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยท่านบอกว่าท่านทั้งสองจงไปบูชาพระผู้มีพระภาคนั้นด้วยสตุพผงและสตุก้อน การบูชาคนท่านทั้งสองนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ท่านทั้งหลายตลอดกาลนานคือหมายความว่าค่าสัตุกก็สตุูผงเมื่อก่อนนิดเดีย ว, วนะก็ใส่บาทก็ตีสมบตเต็มบาทราคา้างวดมันก็ไม่มีอะไรแต่อย่าลืมว่าในโครงสร้างของการให้ทานเนี่ยมันประณีตมาก ผู้เจ้านั้นบริสุทธิ์หมดจดก็เรียกว่าเป็นวัตถุสัมปทาคือผู้รับในสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมปรจัจจะยะสัมปทาอาหารเหล่านั้นเป็นของเขาที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์แล้วก็เจตนาสัมปทาเจตนาในการให้ขเขาสมบูรณ์ผู้เจ้าออกจากนิโรธสมาบัติก็อยู่ในระดับที่เรียกว่าคุณาติเรกสัมปทา ออกจากประทับสวัยมุติสุขนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าค่าสมาบัติหรือเปล่าแต่นั้นก็คือสมระ h คุณที่ชัดเจนเพราะการถวายของเพียงเล็กน้อยเนี่ยเป็นผลประโยชน์เกื้อกูลแก่นกนตนตลอดการยางนานแต่ว่าอาหารที่ถวายนั้นก็บรรเทาความหิวระยะหนึ่งเท่านั้นเอง แล้วก็ไม่จะทําโดยมุ่งไปที่ประโยชน์ของพระพุทธเจ้าแต่เห็นว่ามันเป็นทางที่ตนเองจะได้เกิดบุญก็อย่างที่เรามองพระสังฆคุณเนี่ยฮะว่าสุปฏิปันโนชุปฏิปันโนยายาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนดังเรามองพระโดยองค์รวมที่เป็นพระสังฆรัตนะก็เน้นไปที่ประโสรดาบันขึ้นไปนะจริงๆนะกอคนที่ทําได้คําว่าแล้วเราอย่าลืมว่าในสังฆคุณเนี่ยท่านใช้คำว่าแล้ว ประสงษาสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วประสงษาสาวกของพระผู้มีพระพาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วไอ้แล้วเนี่ยหมายความว่าปฏิบัติเสร็จแล้วเรียบร้อยไปแล้วถ้าเราทําไม่ได้ก็ทาได้บ้างบางระดับกห ก, หกลุ้มกลุกกันไปแต่ว่า เป็นการพยายามเพื่อปฏิบัติดีเพื่อปฏิบัติตรงเพื่อปฏิบัติเป็นธรรมเพื่อปฏิบัติสมควรคนก็มองเห็นคุณความดีเขาก็ถือว่าอาหุนโยควรของคำนับปาหุนโยควรการต้อนรับทักขีนโยควรถวายทักกินยทานอัญเชลิกานายโยควรทำอัญเชลีโดยถือว่าเป็นเนื้อหนาบุญของโลกไม่เมือเนื้อนาบุญอื่นจะยิ่งไปกว่าถ้าทำมันก็ได้ได้ตัวเองไงนะตัวอย่างที่ เทวนาบอกแกท่านตาปุษาภริกาเนี่ยบอกว่าจักเป็นไปเพื่อประโยชน์ได้ความสุขแกท่านทั้งหลายตลอดกาลนานพอข้าทั้งสองก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยถือสตุผงและสตุก้อนไปนะก็ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ได้กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้า ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงรับสตุขผลสตุกก้อนของข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองซึ่งจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานใช้มนต์เจตนาลมเนี่ยให้มนันเป็นผลบุญเป็นอนุภาพเป็นบุญเป็นบุญญาอนุภาพซึ่งเราใช้มาจนทุกวันเนี่ยอาหมากังทีกระต่างหิตายาสุขายะเนี่ยใช้มาตลอด ก็โครงสร้างที่ท่านท่านท่า น, น, นตปุสาปริกะได้กล่าวไว้ในข่าวนั้นนั่นเองแต่ว่าตามปกติพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะไม่รับของด้วยมือน่ะ ใ, ให้จับให้จับหลักเอาไว้ก็ตามให้มีจารีตที่ว่าพระสงฆ์ไม่นิยมรับของด้วยมือแต่ในที่สุดก็ออผู้ชายก็รับด้วยมือได้คราบผู้หญิงก็ไม่รับด้วยมือรับด้วยผ้ารับมันเป็นจารีต แต่พระพุทธเจ้านั้นเป็นพุทธประเวณีนะประเวณีของพุทธทั้งหลายเนี่ยจะไม่รับของด้วยประหารคนก็ต้องวางเดือบนบาทโดยใส่ไว้ในบาทก็ทายังไงว่าจะรับศัตรุกรจนตุูผมด้วยอะไรล่ะท้าวจตุมาราชทั้งสี่เนี่ยคือเทวดาผู้รักษาโล ก, โลกกบนนะับโล ก, กบาลนะฮะโลกบาลนั้งสี่ เท้กูเวนเท้าตรัฐาเทวิรุณหกเท้าวิรุลปักเนี่ยเขาเรียกก็ทราบปริเวตกของพระพุทธเจ้าก็นำบาตศิลามาถวายเอคนละใบมก็กลายเป็นบาตึงสี่ใบอะไปไปเลยพระพุเจ้าก็ส่งอธิษฐานให้มันเป็นใบเดียวกันนี้เป็นอิทธิฤทธิแล้วนะฮะเป็นอิทธิฤทธิแล้วทําของมากให้เป็นของน้อยแต่มีลักษณะผสมกลุ่มกลืนคือเทวดาเห็นคนที่เห็นเนี่ยเขา รู้สึกเป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ไม่ตื่นเต้นอะไรก็ไม่ตื่นเต้นกับการที่บาดสี่ใบนี้มันหายไปเหลือใบเดียวเนี่ยเป็นการทําของมากให้เป็นของน้อยซึ่งก็เป็นหนึ่งในฤทธิ์ในที่ฤท ธ, ธ, ธ, ธิ์ของพระพุทธเจ้าถ้าวเจตุมาลาทั้งสี่ก็ กราบทูลว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงรับสัตว์ผงและสตัตว์ก้อนในบาดนี้พระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าก็ทรงใช้บาด ท, ที่สำเ็มโดยศิลานใหม่เอี่ยมรับจากนั้นพ่อค้าทั้งสองเนี่ยพ่อค้าทั้งสองก็ประกาศตนถึงพระพุทธเจ้ากับพระธรรมตอนนั้นยังไม่มีพระสงฆ์นะครแต่ข้อความนี้ใช้ที่เรานํามาใช้เป็นการแสดงตนเป็นพุท ธ, ธมามากะในปัจจุบันนี้ เอสาหังพันเตแต่ไม่ใช้สุดยาไปนิปตมปีตตังผักกวันตังทำมังสนังกัชามนะิแล้วขอให้พระพุทธเจ้าทรงทรงจำพระพเจ้าทั้งข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองเราเป็นอุบาสกถึงพระพุทธเจ้ากระทรมตลอดชีวิตมันขึ้นขึ้นอความในเหมือนกันแต่ว่า ไม่สมบูรณ์นะฮะอย่างในปัจจุบัลในเราใช้คําว่าสุจิรปรินีพุตตมเข้าไปคือแม้สเสด็จปริญิาผ่านนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสนะขอพระสงฆ์ทรงทรงจำพระพุทธเจ้าไว้ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตแต่ตอนนั้นมันไม่ใช่นะฮะพู้กับพระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนข้อความแต่โครงสร้างเนี่ยโครงสร้างนี่เหมือนกันเป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสนะ จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปนั่นเป็นการแสดงรูปแบบพิธีการที่พระยาบุคคลท่านทามาแต่ตอนนั้นทั้งสองท่านเนี่ยยังยังไม่ได้แสดงนะฮะได้เปิดสังเกตว่าไม่ได้แสดงอะไรในพระบาลีก็มีเท่านั้นแต่ในตันกระฐานิท่านเล่าว่าพระพเจ้าส่งเสรยกระบวนพระเสียนแล้วก็ได้พระเกสามา ส, สี่สี่ห้าเส้น แล้วก็มอบให้ท่านทั้งสองไปแตกการบูชาแค่เป็นที่ระลึกนะฮะท่านทั้งสองก็เอาไปสร้างเป็นเจดีย์แต่ในการต่อมาเนี่ยสองท่านเนี่ยรู้สึกท่านพันลิกานะออกบวชประเดี๋ยววันหลังจะลองไปสรวจสอบดูอเจอประวัติของท่านนะจะเอามาเล่าให้ฟังคือว่าเคยพบผ่า น, านมาทีงแต่ไม่แน่ใจว่าคนไหนก็คือบวชคนหนึ่งนะฮะก็กลับไปเมืองคนนึง แต่บวชคนแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอาหารหันต์รู้สึกจะเป็นท่านพันลิกะออท่านทั้งสองนั้นก็ถือว่าเป็นเววาจิกะอุบาสกอุบาสกที่ถึงพระรัตนใจไม่ใช่พระ ร, นะรัตนใจนะรัตนสองเป็นครั้งแรกก่อนคนอื่นในโลกตอนประเด็นสำคัญในเรื่องนี้ให้ลองสังเกตว่าการทำบุญทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเรื่องกรรม คือการกระทำะํำเฉพาะบุคคนทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วทําดีก็ได้ทําดีทําชั่วก็ได้ทําชั่วแล้วก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบในเรื่องดังนี้แต่ข้อที่น่าสลดใจก็คือว่าเวลาเนี้ยเราไปเพ่งโทษคนอื่นตรวจสอบคนอื่นวิพากวิจารณ์คนอื่นกันมากเกินไปโดยเฉพาะพระ ที่มีข่าวคราวในทางไม่ดีนะฮะลองเช็คประวัติดูแตความรู้เนี่ยอ่อนด้อยกว่าคนที่ที่วิพวากษ์วิจารณ์ท่านบางทีอายุก็น้อยกว่านะะความรู้ก็ด้อยกว่าฐานะทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการศึกษาการฝึกปืออบปรุงเนี่ยที่จริงก็อ่อนด้อยกว่าเพราะแค่เราถ้าหากว่า จบหลักของพระธรรมบิัยให้แน่นนะะแล้วก็ยึดตามแนวที่พระเจ้าทรงวางไว้ปฏิบัติไปตามนั้นทรงมญญาจัแสดงไว้ยังไงเนี่ยมันไม่ถึงกับไม่หลุดหรอกมันหลุดได้เท่านั้นนะฮะมนุษย์ใดที่ยังไม่เป็นประสดาบันอย่าไปถึงความไว้วางใจว่าตัวเองเก่งตัวเองดีตัวเองไม่มีปัญหาแล้วเนี่ย ไม่มีทางหรอกเพราะคนที่เป็นพ ร, นรัตนั น, นท์ไตรทั น, น, นเองที่เข้าสู่กระแสปฏิพานไม่ใช่คือคนที่เป็นพระสมาบันท่านนั้นเองที่เข้าสู่กระแสปฏิพานคนอื่นยังเราเ ล, ะละ่าฝังเนี่ยเพะฉะนพวกเราเ ล, ะละ่าฝังด้วยกันเนี่ยมันควรจะมองกันด้ยวยความเข้าใจเห็นใจแล้วก็เปิดโอกาสให้ปรับปรุงตัวแก้ไขใหม่มันไม่ใช่เป็นเรื่องนอกริด น, นอกรอยใดพระพุทธเจ้าท่านวางไว้เองเนี่ยนอกจากประราชิกสีข้อแล้วเนี่ยเปิดโอกาสได้แก้ไขใหม่ แต่ประจกสี่ข้อที่ริงออกไปเป็นอุบาสกรษาศิลปะรษาทิน่าก็ไม่ได้ว่าอะไรนะาศาสนานะอย่าลืมว่าไม่ใช่อาญาของแผ่นดินที่จะเอาคนมายิงป้งป้งป้งป้เนี่ยมันไม่ใช่อะศาสนามันเป็นการชี้บอกขนทางที่ควรประพฤติคลเว้นสัจธรรมทั้งหลายเท่านั้นเองส่วนคนจะประพฤติปฏิบัติยังไงก็เป็นเรื่องของเขาแล้วเขาก็ต้องรับผิดชอบการกระทำเขาโยตัวเขาเอง ต้องฟังทั้งหลายใด้รบมโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาหึ่งเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายดูตัวกันสวัสดี